<c oughs> มีใครห่วงกังวลอะไรไหมหนักเอ่ยเบาเอ่ยมีไหมอา้าวปัญหาใหญ่นะเราจะทนได้นานเท่าไรนะบอว่ามีเวลาชั่วโมงครึ่งเป็นไงไปไม่ชั่วโมงครึ่ง <c oughs> ปัญหาเรื่องอื่นไม่สำคัญ <c oughs> สำคัญปัญหาหนักเบาเราเนี่ย นี่มันทุกข์มันอย่างไม่ทุกข์ที่แล่ทุกข์ละมาอย่างนี้ให้เราคิดว่าลามาบำเพ็ญนตนปฏิบัติธรรมนะลามาตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยการทุกคนเ <c oughs> พราะฉะนั้นทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีเราอยู่ด้วยการทาการบ้าน เราอยู่ด้วยการทําแบบฝึกหัดอยู่ด้วยการตรวจสอบอยู่ด้วยการไข่ครวนพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งใครได้รับความสลดใจสังเวชใจให้สมกับที่ว่าเรามาสังเวชสังเวชต่อสถานที่พุทธิเจ้าประสูตัสสรุปนิพพานและร่องรอยของพระองค์ เราก็เราได้ได้เราได้ไปหลายรอบแล้วนะมีใครได้ไปกี่รอบนะ เ, เราได้ไปหลายรอบเลยนะอออืมตอนไหนก็มันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ให้เราลำพึงลำพันถึงบุญถึงคุณเถิดบางครั้งท่านก็เรียกว่าความปลื้มปีติความเลื่อมใสศรัทธา รวมไปถึงความวิโยกความพัดพลากความเหี่ยวความแห้งดูือเมื่อกว่าเราดูตามดูตามสิ่งที่เราต้องวิโยกเราต้องพัดพลากสิ่งที่เรากะไม่ได้เกณมาได้หากเป็นสิ่งที่ต้องหลุดไมห้หลุดมือเราไปหรือเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสูงสุด อย่างพระศาสดาของเราพระอเยสาหกทั้งหลายนั่นนะ่ะท่านอยู่บนที่สูงสุดเป็นสิ่งที่เราพยายามจะเอื้อมกันเมือ่อเราพยายามเรียกร้องให้พระองค์ช่วยชุ ด, ช, ช, ช, ช, ด ช, ช่วยประชากช่วยลากช่วยดึงช่วยพยุงช่วยประคับประคองช่วยปรับทั้งช่วยดันให้พวกเราพยายามกระตือรือร้อนรีบเร่งบำเพ็ญขวนขวายตามพระองค์ เดินตามหลังพระองค์ไปเดินตามไปถึงไหนเดินตามไปถึงว่าทําไมเราจะฉลาดรู้จักแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราตราบใดที่เราเริ่มรู้จักแก้ไขกันได้ที่ละเปาะที่ละเปาะที่ละเปาะนั่นแหละคือการเริ่มเดินตามจเจริญรอยตามพระองค์ไปผลสูงสุดที่เราจะพึงได้รับก็คือตามพระองค์ท่านเข้าไป พนทุกพ้นโทษพ้นเวรพ้นภัยในวัตฏสงสารอันนั้นแหละคือสิ่งที่เรารมพึงราพันเหมือนกับต้องเรียกร้องถ้าจะว่าร้องเอาก็ว่าได้แต่ว่าแบบแบบภาษาเด็กอมมือเหมือนอย่างพวกเราร้องให้เอาร้องให้เอาร้องให้เอาผู้กับผู้เป็นพ่อกับผู้เป็นแม่กับพระศาสดาเราตั้งท่านไว้ในฐานะอย่างนั้น นึกถึงว่าบุญคุณของท่านเหนือสิ่งใดทั้งหลายในไตรโลกธาตุเราฟังดูเถอะความผิบดีความพิเศษวิโสของพระองค์ควรที่เราจะรำพึงรำพันพิจารณาตามแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดความปลืม้มปิติเกิดความยินดีกับผู้ที่มีความสามารถเหนือเราเหนือกล้าวเหนือกระหม่อมเราเหนือชีวิตเหนือจิตใจของเราสิ่งทั้งนั้นคืออะไร คือการตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญขวนขวายสร้างธรรมจนพระองค์ถึงฐานะอันเลิศถึงฐานะอันประเสริฐพวกเราก็พยายามตั้งอกตั้งใจริ่รืง่งบำเพ็ญเพื่อที่จะถึงฐานะอันเลิศฐานะอันประเสริฐเหมือนอย่างพระองค์เลิศตรงไหนประเสริฐตรงไหนเลิศตรงรู้จักทุกขเลิศตรงรู้จักเหตุแก้ไขเพื่อให้ถึงความดับทุกขเลิศด้วยข้อปฏิบัติด้วยสหาหะพยายามความตามความภาคความเพีย ไม่ให้เราอ่อนแอปวกเปียกมันก็อ่อนแขนก็อ่อนขาอ่อนจิตใจก็อ่อนปวกเปียกไปหมดพอที่จะยกอะไรใส่ให้เป็นกรรมที่หนักกว่าที่จะได้ชักจงูงพยุงภบชาติของตัวเองให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นให้ก้าวไปข้างหน้ามันก็ไม่มือไม่มีกระจิกกระใจไม่มีกำลังไม่มีพลังอะไรเลยที่จะมาช่วยชุดช่วยลาก ช่วยผลักดันตัวให้เต็ไปได้อีกส่วนนึงก็ขอร้องเท่ากับขอร้องขอวิงวอนให้บุญญาบารมีบารมีธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายช่วยปกป้องคุ้มครองห้อมล้อมช่วยฉุดช่วยกระชากลากดึงจิตของเราให้เข้าสู่เส้นทางเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเจริญด้วยสติเจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยจัก รู้จักเหตุเห็นทุกข์จเจริญด้วยรู้จักอ่าความวิธีการปฏิบัติกับการเกิดทุกข์เข้าถึงความสุขตามฐานะอันตนจะพึงได้พึงถึงพวกเราก็ฟังบทธรรมะม า, มาบนรถตามที่ศระกดีเขาเปิดให้เราฟังถ้าจิตของเรามันหมุนอยู่ในธรรมเนี่ยอันไหนที่เป็นธรรมมันรับกันได้หมดนะ แต่จิตขเราที่เป็นธรรมจิตมันอ่อนที่เขาเรียกว่ากายอ่อนจิตอ่อนกายเบาจิตเบาคําว่าอ่อนมันอ่อนนิ่มไปตามธรรมพฤติกรรมใดก็ตามที่เป็นธรรมแม้แต่จะเป็นเรื่องราวที่ท่านเข้าเล่าให้เราฟังพฤติกรรมยังงั้นยังงั้นยั้นเป็นธรรมถ้าใจของเราอ่อนน้อมไปมันจะซึ้งซาบซึ่มซับเข้าไปในแนวในแถวเดียวกันถึงอกถึงใจฟังด้วยความถึงอกถึงใจฟังด้วยความถึงจิตถึงใจ ในเมื่อทำกับทำมันรับกันมันสัมผัสกันแมันตื้นตันในหัวใจนั่นแหะความสรุปสังสางเวทความเลื่มปิติความยินดีความเลื่อมใสศรัทธามันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นจิตใจของเรานี่อ่อนนิ่มแต่มันแข็งกระด้างให้กับกิเลสมันอ่อนนิ่มให้กับธรรมแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วะมันแข็งกระด้างให้กับธรรมมันอ่อนนิ่มไปตามกิเลสอันนั้นคือคือจิตที่ส่งออกนอกจิตที่ส่งผิด จากแนวแถวที่เราจะพึงเจริญจนร้อยไปเจริญรอยตามมาัตที่พระพุทธเจ้าทนทรงพาดําเนินมันเป็นการดึงจิตของเราออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางบรรดากองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะพึงรบเรา้าเร า, เราตำรบราข้าวฟันหัวใจของเราทุกขยะสุขเส้สสสสสสสนทางมีสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่เราจะช่วยพยุงตัวเราได้ก็คืออัตตาหิอั ต, ตโนนาโทเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคน ก็ตั้งตนไว้ในอัตตาอัตโนตลอดเส้นทางที่เรามาสวบุญตุจนรอยตามร่องรอยพระพุทธเจ้าท่านส่งเสด็จไปแล้วดําเนินไปแล้ว น, นี่มาตรงนี้แหละเสด็จมาจากนู่นไปสาลีจำพรรษาปีสุดท้ายแล้วก็มาปลง n g ไปชนมายุสังขารตรงนี้แล้วก็นู่นจำพรรษาปีสุดท้ายแล้วก็มาปล o ลงพระชนมายุสังขารกำหนดวันที่จะปริพานเป็นเหตุให้แผ่นดินกำบันาดวาดปันไว้แผ่นดินไว้คิดดูที่พระาศาสดาลงพระชนมายุสังขารแผ่นดินไว้พระาศาสดาประสูติตอนประสูตรยังไม่ได้เป็นพระาศาสดานะเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ประสูตรพระโพธิสัตว์ตรัรสรุ้รัสู้ขมาแล้มาเป็นพระาศาสดา พระศาสดาปรองพชนมายุสังขารพระพระศาสด า, าส่งปรินิพานรีพานหมายความว่าดับรอบคําว่าปรินิพานแปลว่าดับรอบหมายถึงว่าขันธ์ทั้งห้าก็ดับกิเลสที่เคยรบเร้ากับมากับขันธ์ทั้งห้าก็ดับหรืออะไรทีสิหรือแต่จิตที่บ่อที่สุดหนึ่งเดียวนั่นแหละเป็น ผู้ที่เข้าถึงประมังสุขขังเข้าถึงบ ร, รมสุขคือจิตที่บริสุทธินั่นแหละจิตทีบริสุทธิ์เรานั้นะคือท่ารู้ท่ารู้ที่บริสุทธิ์เรามม่จะเรื่อยยังไงแล้คือท่ารู้ที่บริสุทธิ์มันไม่มีกิริยาใดๆที่จะชักจูงลากไปให้เราได้ประสบพอเห็นสิ่งที่น่าดีใจสิ่งที่น่าเสียใจสิ่งที่น่าเพลินใจสิ่งิตี่จะทําให้เราผิดหวังไม่มีอะไรนั <c> ่น <oughs> หมดเรื่องบทราว จังไรทังปวงหมดภาว่าที่จะจะไปเป็นอะไรอะไรได้ทั้งนั้นเหลือแต่ผู้รู้หรือถ้าจะว่าผู้รู้ยังมันเป็นตัวเป็นตัวหลดเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ผู้ที่รู้ที่บริสุทธิ์นั้นถ้ากเราไม่ใช้คําว่าผู้ผู้ผู้มันไม่มีคํานามก็ไม่รู้จะเอาไปปฏิทันกับอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คําว่าผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์กับความบริสุทธิ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประชิ ขระพุทเจ้าของพระสงฆ์สาวกพรหาหมณ์สาวกเรามีหน้าที่อย่างเดียวพยายามสกัดกั้นตันหาในหัวใจของเราเพื่อให้มันหยุดโอกาสที่เราจะสกัดกั้นนั่นแหละคือวิธีการปฏิบัติทั้งหมดน้อมไปที่ศีล น, น้อมไปที่สมาธิน้อมไปที่ปัญญาเอาวิธีการวิธีการใดบ้างที่จชนะตันหาในหัวใจของเราอันนี้สําคัญที่สุดนีกคือแนวปฏิบัติ เป็นการเดินเจริญรอยตามพระองค์องพระสัสดาท่านไปโดยน้ำพักน้ำแรงเรี่ยวแรงของเรานุต่างทุกคนนำตั้งอกตั้งใจสังเกตสังกาตั้งปัญหาทำแบบฝึกหัดฝึกทดสอบทุกขั้นทุกตอนตลอดระยะเส้นทางนี้เราอยู่อย่างไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวระยะเวลา ในการที่เรามานี้สิ่งที่เราวางเอาไว้ทุกอย่างถือว่าเป็นข้อวัดเราพยายามทำให้ได้ตามข้อวัดนั้นๆการพร้อมกันการสามัคคีกันการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการไม่ขัดข้องผิดหม่องในใจของของการละกันพยายามรักษาบุญเอาไว้ใครลู้มอำนากแก่สิ่งเหล่านี้ชื่อว่าพาชนะบุญของเราทะลุขาดรั่ว กลับคืนแต่พายชนะเปล่าๆนะ เ, เพราะอะไรมันทะลุระหว่างทางหมดมันรั่วไรหลออกระหว่างทางหมดไปหาสมบัติใส่แท้ๆทำไมมันทะลุออระหว่างทางหมดเพราะเราไม่รักษากันตั้งอกตั้งใจรักษากันนะ รณโมทนากับทุกท่านทุกคนต่อพปนี้ตั้งใจทำความสงบจนกว่าจะสมควรแก่เวลาแล้วเราก็าไปเวียนเทียนอีกรอบหนึ่งแล้วก็พัานผ้าใช่ไหมอา่อาตั้งใจเอาของไข่ของเราและจากนั้นแล้วมีปัญหาอะไรต่อท้ายบ้างก็เปิดโอกาสให้ทุกคนก็แล้วกันตอนนี้เราทําความสงบด้วยก่อนเอา้าดับ